1.22 สองเราไม่ได้ฝึกเพื่อลักกิเลสแต่ฝึกเพื่อรู้ทันกิเลสหน้าที่ที่จะทำให้ราคะโทสะโมหะบางเบาเป็นหน้าที่ของอริยมรรคจะมาตัดมันเราไม่ได้ฝึกเพื่อละกิเ ล, เนเลนสนะเราฝึกเพื่อจะรู้ทันกิเลสกิเลสเกิดขึ้นมาสติก็รู้ทันกิเลสครอบงาจิตใจไม่ได้จิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วจิตก็เห็นความจริงเออกิเลสจะเกิดก็เกิดเอง กิเลสก็ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปปัญญามันอยู่ตรงที่เห็นว่ากิเลสเกิดแล้วก็ดับบังคับมันไม่ได้พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าจิตก็ไม่ยึดถือกระทั่งกิเลสกิเลสย้อมจิตไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าจิตของท่านเข้าถึงสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นี่ฝึกไปตรงนี้ไม่ใช่ฝึกที่จะไปทาลายกิเลสตรงๆง